โลกสังขารภายใต้การมองเห็นและการจัดการโดยสังขารในใจคนสังขารในอีกความหมายหนึ่งที่ต่างออกไปห่างไกลนั้นเป็นจำพวกนามธรรมซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในชีวิตของคนเป็นชุมชนเป็นกลุ่มเป็นหมวดเป็นกองเป็นที่รวมของบรรดาสภาวะทั้งที่ร้ายและที่ดี ในจิตใจอันมีเจตจำนงหรือเจตนาเป็นประธานเป็นตัวนาทำหน้าที่ปรุง แ, แต่งสรรสภาพจิตความนึกคิดตลอดจนการแสดงออกเป็นพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์เป็นระบบความคิดและกระบวนกรพฤติกรรมของเขาพูดสันส้นๆว่าปรุงแต่งใจให้ดีหรือชั่วปรุงแต่งการคิดการพูดการกระทำ ที่เรียกรวมๆว่ากรรมสภาวะดีร้ายและไม่ดีไม่ร้ายในใจทั้งหมดนี้อันมีเจตนาหรือเจตจำนงเป็นแกนนำเรียกรวมๆว่าสังขารได้บอกแล้วว่าสังขารที่เป็นนมามธรรมอยู่ในใจนี้มีมากมายดังที่ว่าเป็นกลุ่มเป็นกองหรือเป็นหมวด คำว่าหมวดหรือกองนี้ภาษาบาลีเรียกว่าขันคือเป็นชุมนุมส่วนประกอบหมวดหนึ่งหรือกองหนึ่งซึ่งมาประชุมประสานกับขันคือชุมนุมส่วนประกอบหมวดหรือกองอื่นๆรวมกันเป็นคนที่เป็นชีวิตหนึ่งหนึ่งนี้คนชีวิตหนึ่งหนึ่งนี้เป็นชุมนุมของส่วนประกอบมากมายซึ่งจัดแยกเป็นกลุ่มเป็นกองเป็นหมวดหมู่ ที่เรียกว่าขันนี้ได้ห้าขันนิยมเรียกกันว่าขันห้าหรือเบนจ์ขันหมวดหรือกองสังขารที่พูดถึงเมื่อกี้นับเป็นขันที่สี่เรียกว่าสังขารขันการที่จะรู้จักคนเข้าใจชีวิตได้ชัดควรต้องรู้จักขันห้านี้ไว้เป็นฐานความเข้าใจขันห้าหรือเบนจ์ขัน มีรูปธรรมหนึ่งขันและนามธรรม4ขันคือ 1. รูปปรูปขันกองรูปคือร่างกายซึ่งเกิดจากรูปธรรมที่ประกอบมากมาย 2. เวทนาขันกองเวทนาคือการเสพเสวยความรู้สึกสุขทุกขไม่สุขไม่ทุก 3. สัญญาขันกองสัญญาคือการกำหนดหมายประดาข้อมูลที่เก็บประมวล 4. สังขารขันกองสังขารคือความดีความชั่วและประดาคุณสมบัติที่ประกอบเจตนาในการปรุงแปรความคิดนึกพูดจาและทำการทั้งหลาย 5. วิญญาณนัขันกองวิญญาณคือความรู้พื้นยืนโรงให้นามขันทั้งหลายทำงานได้คือเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสกายและรู้เรื่องในใจขันห้านี้จะอธิบายเป็นบทหนึ่งโดยเฉพาะข้างหน้าแต่ขอย้ำความสำคัญไว้ก่อนว่าขันห้านี่แหละ คือสภาวะธรรมที่เกิดมีเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกระบวนปัจจญาการของชีวิตที่ได้กล่าวข้างต้นดังได้บอกแล้วว่าปัจจญาการที่ได้ทรงแสดงไว้เป็นกระบวนหลักคือปัจจญาการของชีวิตซึ่งก็คือปัจจญาการของขันห้านั่นเองดังที่มีบอกในคำภีว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจญาการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นแบบไว ก็คือความเป็นไปของขันห้าหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าก็คือขันห้าในขณะทำงานที่ชีวิตเป็นไปหรือดำเนินชีวิตอยู่นี่เองขอเน้นย้ำความสำคัญของสังขารที่เป็นขันอยู่ในชีวิตของคนนี้ว่าด้วยสังขารที่เป็นนมามธรรมซึ่งทำงานปรุงแต่งอยู่ในใจนี่แหละคนจึงรู้จักและคิดนึกทำการต่าง ต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั่วโลกทั้งจักรวาลทั้งรู ป, ปธรรมและนามธรรมอันเป็นสังกตธรรมที่ได้กล่าวแล้วมนุษย์จะมองเห็นคิดเห็นและปฏิบัติจัดการอะไรอย่างไรกับโลกของสังขารก็ขึ้นอยู่กับการแต่งสรรของสังขารในใจของเขานี่เองการเกิดมีขึ้นและเป็นไปต่างๆของสังคมมนุษย์ซึ่งดาเนินไปตามสมมติบัญญัติทาให้มีความเจริญความเสื่อม ประสบวิบัติหรือพัฒนาการเป็นยุคสมัยก็ดีการปฏิบัติจัด ก, การกับโลกของสิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาติและบรรดาวัตถุธรรมในทางสร้างสรรค์ส่งเสริมบ้างทำลายล้างผลาบบ้างก็ดีที่ว่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์นั้นก็เป็นไปด้วยการขับเคลื่อนของสังขารที่เป็นแหล่งผลิตความคิดคาพูดและการกระทาของมนุษย์ที่กล่าวมานี้ ดังนั้นเมื่อตกลงว่าจะต้องทำการพัฒนามนุษย์ก็พึงเข้าใจว่าการพัฒนามนุษย์นั้นมีศูนย์รวมอยู่ที่การพัฒนาสังขารในตัวมนุษย์นั้นที่จะให้ปัญญาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นมาเป็นตัวนทำทาการนั่นเองปัจจาัการของชีวิตนั้นเริ่มต้นว่ า, าวิชาปัจจัสังขารา เมื่ออวิชายังคงอยู่มีอยู่ในขีดระดับแนวทางลักษณะาอาการอย่างไรโดยสัมพันธ์กับปัญญาที่พัฒนาขึ้นอย่างไรหรือไม่แค่ไหนคนก็มีสังขารที่จะใช้ปรุงแปรแต่งสันกรรมในการคิดการพูดจาประกอบกิจปฏิบัติจัดการทั้งหลายได้ในขอบเขตแนวทางและในลักษณะาอาการอย่างนั้นแค่นั้นดังนั้น การปฏิบัติจัดการที่ฐานลงจุดเริ่มต้นในปฏิโลมปัจจัยาการอันเป็นฝ่ายแก้ไขจึงได้แก่การลดละอวิชาด้วยการพัฒนาปัญญาที่จะก้าวขยายไปเป็นวิชาเมื่อปัญญาพัฒนาขึ้นไปได้สัมมาทิฐิขึ้นมาปัญญานั้นซึ่งเป็นสังขารตัวสำคัญยิ่งใหญ่อยู่ในสังขารรักขั ก็จะทำหน้าที่ปรับแปรแก้ไขชี้นำส่องทางตลอดจนขยายวิสัยให้แก่กระบวนหรือกองกําลังทำงานในการคิดพูดทำที่มีเจตนาหรือเจตจานงเป็นหัวหน้าพาให้ทำการคือกรรมที่เป็นคุณเป็นกุศลก่อผลที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นกระบวนการสังขารขันที่ว่ามีกําลังผลมากมายนั้น ดูกันแค่เป็นตัวอย่างดังนี้ตัวนําหรือตัวหนุนได้แก่เจตนามนสิการฉันทะวิริยะปีติสมาธิเจตนาพึงให้เป็นกุศลเจตนามนสิการพึงให้เป็นโยนิโสมนาสิการคือรู้จักคิดยากคายฉันทะพึงให้เป็นกตุ ก, กรรมมิยตาฉันทะ ความอยากทำให้ดีงามสมบูรณ์ป่ายร้ายได้แก่โมหะอหฮิริกะไม่ละอายบาปอโนตปปะไม่กลัวบาปอุทธจักฟุงซานวุ่นวายใจโลพะทิฏฐิมานะคืออยากใหญ่โทสะอิสาคือริสยามัจริยะ กุกุจจะคือกลุ่มกังวลถีนะคือหดหูท้อถอยมิทธะคือหงอยซึมวิจิกิจฉาคือความลังเลสำหรับฝ่ายดีได้แก่ศรัทธาสติอิริโอต ป, ปะจารคะคือใจกว้างเสียสละมีน้ำใจเมตตาการุณามุติตา ตัตระมัชฌตุเบขาคือใจลงตัวนิ่งเป็นกลางมองดูอย่างชัดตรงปัสสัิคือกายใจสงบผ่อนคลายกรรมมัญตาคือความถนัดพร้อมจะทำและปัญญาจุดเน้นที่พึงย้ำไว้ดังที่ว่าแล้วเจตนาเป็นหัวหน้าเป็นตัวนำทำการในนามของกองสังขารทั้งหมด สังขารจะออกแสดงเป็นความคิดพูดทำอย่างไรก็แล้วแต่เจตนาตัดสินแต่เจตนาจะเอาอย่างไรก็อยู่ที่ว่ากำลังพลตัวไหนในฝ่ายใดคือในฝ่ายดีหรือฝ่ายร้ายจะเข้ามาประกบเจตนานั้นแต่ทั้งนี้สังขารตัวสําคัญยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือปัญญาซึ่งเมื่อพัฒนาขึ้นมาก็จะช่วยชี้นาสองทางตลอดจนขยายวิสัยให้แก่เจตนา รอมทั้งปรับแปรแก้ไขเจตนานั้นตลอดถึงว่าเมื่อปัญญาพัฒนารู้ชัดเจนจำแจ้งเจตนาก็จะทำหน้าที่แค่เพียงเป็นตัวสนองงานของปัญญาซึ่งให้ทำไปตามที่รู้ชัดแจ้งโดยไม่ต้องคิดเลือกตัดสินใจถึงขั้นที่เรียกว่ามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญานั่นคือเมื่ออวิชชาหมดหายกลายเป็นวิชา ก็สลายวงจรของปัจจัาการถึงภาวะปัจจัยไขยจบการพัฒนาเท่าที่บรรยายมาในตอนนี้เป็นการรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติตามที่มันเป็นและมองเห็นตามหลักการว่าการที่จะเป็นไปอย่างนั้นๆการที่จะเกิดผลอย่างนี้ๆจะสำเร็จได้ด้วยการทำเหตุปัจจัยอะไรๆ แต่สำหรับวิธีปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรเช่นว่าการที่จะพัฒนาสังขารการที่จะพัฒนาปัญญามีแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างนั้นเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติในมัชิมาปฏิปทาที่จะบอกระบบวิธีปฏิบัติในการพัฒนามราชีวิตด้วยการศึกษาที่เป็นสิก ข, ขาซึ่งจะพูดกันในภาคมัชชิมาปฏิปทาข้างหน้า คนหรือชีวิตมนุษย์นี้เป็นองค์รวมซึ่งมีองค์ประกอบครบทั้งรู ป, ปรธรรมและนามธรรมที่พัฒนาสูงสุดร่างพร้อมถ้ารู้เข้าใจปัจจาัการของชีวิตมนุษย์ที่เป็นขันทัโลกนี้แจ้งชัดก็จะเป็นความรู้เข้าใจโลกของธรรมชาติทั้งหมดไปด้วย